คกความมืดดำภาษาทางธรรมะท่านให้ชื่อว่กกิเลสปิดบังครอบงำบีบคั้นมาเป็นเวลานา น, านแสนนานโลกใดก็าตามผู้ใดก็าตาม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 อันดับต่อมาก็คือพระสาวกของท่านโลกจึงถูกสิ่งเหล่านี้ปิดบังและนำเอาใจดวงนั้นออกเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของตนอย่างออกหน้าออกตาทั่วโลกดิแนแดน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 นำไปไหนใช้การใช้งานอะไรสัตว์ก็จำต้องทําตามเพราะเมื่อไม่ทําตามก็ถูกเกลี้ยงถูกตีถูกทรมานดีไม่ดีบางลายถึงกับต้องฆ่าหาว่าสัตว์นั้นพยศสัตว์นั้นดื้อดึงเพราะเหตุนั้นสัตว์จำเป็นจริงต้องทาตามการบัญชาหรือความต้องการของมนุษย์ เป็นสัตว์วัวควายนำไปไถ่ไร่ไถน า, าใส่ล้อใส่เพียนมา้าใช้ขับขี่สัตว์ชนิดใดที่ควรจะใช้างานได้ในประเภทใดก็นำไปใช้างานนั้นพวกท้างก็ใช้าลาดเึนซ่งภาระหนักต่างๆแต่และประเภทประเภทของสัตว์ที่ควรจะใช้างานอย่างใดได้ มนุษย์ใช้มันทั้งนั้นที่ใช้ไม่ได้ก็เอาเนื้อหลังของมันมาเป็นอาหารแม้สัตว์ที่ใช้ได้เหล่านั้นก็ยังไม่พ้นความเป็นอาหารของมนุษยถ้าจะเทียบถึงเรื่องมนุษย์เอาเปรียบสัตว์ทั้งหลายนั้นก็ไม่มีใครใครเกินได้เลยนี่เราเทียบ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 สิ่งที่จะทำให้สว่างกระจ่างแจ้งพอมองเห็นสิ่งมืดมุนอุนตการทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายใ น, ในใจิตใจนี้ได้นี่ความละเอียดของธรรมชาติที่ทำให้จิตเป็นวัตะจักหมุนวกเวย็นไปมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอย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 เพราะฉะนั้นความรู้ของโลกกับความรู้ของธรรมคือความรู้ของจิตที่เป็นไปตามกระแสของกิเลสกับความรู้ของจิตที่เป็นไปด้วยอำนาจกระแสแห่งธรรมจึงต่างกันมากโดยลาดับลาดาเป็นต่างกันอย่างคนละโลกเลย เพราะความรู้เหล่านั้นเป็นสิ่งที่อํานวยให้กิเลสโดยไถ่เดียวแต่ความรู้ทางด้านธรรมานี้อํานวยให้เราตากฏเป็นความสุขความสบายขึ้นมาเคยมืออิดใจเคยมืดก็ค่อยสว่างขึ้นมาโดยลำดับเพราะกระแสของธรรมธรรมเป็นเหมือนกับ ไฟฟ้าที่เรเป็นเหมือนกับความมืดดบไฟฟ้าเปิดขึ้นที่ไหนสถานที่นั้นก็สว่างตามกำลังของไฟถ้าไฟมีกำลังก้าก็สว่างจ้าไปหมดรอบด้านรอบตัวจิตใจที่มีความสว่างด้วยอดด้วยธรรมตามกาลัง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 จึงเป็นท่านผู้อัศจรรย์มากอัศจรรย์ตามหลักความจริงไม่ใช่อัศจรรย์ตามความโดยความเสียสันตัญญหยอบคำว่าอัศจรรย์ตามความจริงนี้นั้นต้องเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้รู้ตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านรู้มาแล้วอย่างใดโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงทะลุ เป็นสัตว์เต็มส่วนไม่มีสิ่งใดสงสัยแล้วระหว่างโลกกับธรรมระหว่างจิตกับสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายเป็นคนละวัตรละตอนเห็นได้อย่างชัดเจนผู้นี้และเป็นผู้ที่จะเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับข้าเห็นความอัศจรรย์ภายในตัวเองเห็ในในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ทราบได้ชัด ในสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจมานานเท่าไหร่ไม่ต้องไปนับว่ากับนั้นกันนี้ยืดเยื้อเสียเวลาไปเปล่าๆดูตัวจิตที่มีความเกี่ยวข้องผัวพันกับสิ่งใดมากน้อยเพียงไรมาแต่การใดก็ตามดูภายในจิตและชำระสาสางจุดนี้ให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 ตามหลักธรรมชาติแห่งความอัศจรรย์นั้นจริงๆโดยไม่มีการคาดคะเนไม่มีการเสกสรรตั้น ย, อย่อใดๆเพราะเป็นสภาพแห่งความจริงด้วยกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับตนที่รู้เช่นนั้นนี่หละที่ว่าศาสนาปรากฏขึ้นในโลกคือปรากฏขึ้นในพระไทยของพระพุทธเจา้า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 นั่นคือการตามร่รองรอยแห่งธรรมความแห่งธรรมคือของอีงิเช่นเดียวกับเจ้าของโคตามร่องรอยแห่งโคไปไม่ลดละจนถึงตัวโคได้เมื่อถึงตัวโคแล้วรอยโคกับโคก็เป็นอันเดียวตันอาการแห่งธรรม ที่ให้ชื่อว่าศาธนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนโลกซึ่ง เ, เทียบเหมือนรอยโคก็เป็นเช่นนั้นครูปฏิบัติตามทวว่าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยสวขาตัธรรมไม่ลดละย่อมจะเข้าถึงความจริง ที่เรียกว่าตัวคมได้แกผู้รู้คือจิตนี้อันเป็นสถานที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายนับแต่ธรรมขั้นต่งจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตติผิภาัานไม่นอกเหนือไปจากจิตดวงนี้เลยนั่นและคือธรรมแท้อยู่ที่จิตเพราะจิตเป็นภาชนะ ที่เหมาะสมยอย่างยิ่งสำหรับรับธรรมทั้งหลายทั้งรับทราบรับสัมผัสทั้งเป็นสถานที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหมดอยู่ในจิตนั่นแหละอาการแห่งการสอนเหล่านั้นหรืออาการแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเกียวกเหมือนกับร่องรอยแห่งธรรมเท่านั้นไม่ใช่ธรรมมันแท้จริงแต่ผู้ปฏิบัติจะต้องดําเนินตามนั้น ไอ้ดำเนินอย่างอื่นไม่ได้ไม่ถูกจะไม่เข้าถึงตัวจริงได้เลยต้องดำเนินดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านสอนไว้ซึ่งเป็นองค์ศาจดาแทนพระองค์ท่านไม่ลดละเนือธรรมที่กล่าวนี้ไม่ได้มีการสถานที่ว่า ใกล้ว่าไกลเวลานั้นเวลานี้นั่นเป็นสมมุติอันหนึ่งต่างหากส่วนธรรมที่กล่าวนี้ไม่นอกเหนือไปจากจิตนี่เลยจิตนี้ไม่มีการไม่มีสถานที่เพราะเป็นธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาอากาลิโก <c oughs> จึงสามารถรับธรรมได้ทุกการทุกสถานที่ ไม่มีการเวลาเช่นเดียวกันผู้ปฏิบัติจึงต้องสนใจในจิตเป็นสำคัญยิ่งกว่าอื่นทาที่กลาวนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติต่างหากไม่ได้ขึ้นอยูก่กับการสถานที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดที่จะมีอำนาจ มาให้ค่าจ้างรางวัลหรื อ, อกีดขวางทางเดินอันชอบธรรมของเราแต่ขึ้นอยู่กับเราผู้ปฏิบัติเพราะให้ยึดหลักทำหลักวินัยไว้ด้วยดีเถิดธรรมที่กล่าวนี้จะเป็นธรรมสุดร้อนร้อนปรากฏขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินั้นคือการตามร่องรอยแห่งความจริงเข้าไป อยู่โดยสม่ำเสมอเริอมต้นก็ล่มลุกคุกครานเช่นเดียวกับพวกเราที่ฝึกหัดอบรมทำจิตให้สงบด้วยสมถะธรรมต้องใช้คำริกรมกรมกากับจะเป็นทาบทใดก็าตามหรืออนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกก็าตาม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 เมื่อถูกบังคับเหตุที่ต้องบังคับก็เพราะกิเลสเป็นผู้บังคับผลักดันหรือฉุดลากออกไปสู่อารมณ์ต่างๆอยู่ไม่มีเวลามเวลาอริยาบท้วยเหตุนี้ผู้ต้องการความสงบอันเป็นฝ่ายธรรมจึงต้องได้หักห้ามจิตใจฝึกฝนทรมานจิตใจหนักบ้างเบาบ้า ง, างหรือหนักเต็มที่ ตามแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นภายในจิตของตนแล้วจิตเมื่ออาศัยอำนาจแห่งความเพียรด้วยวิธีการต่างๆหนักบ้างเบาบ้างแล้วก็จะสงบตัวเข้ามาขณะที่จิตสงบนั้นเป็นขณะที่กิเล็ดสงบตัวเพราะอำนาจแห่งสมถะ เข้าระงับดับกันใจจะมีความเยอเือกเยน็นไม่มีสิ่งใดรบกวนคําว่าสิ่งรบกวนนี้หมายถึงความปรุงของจิตที่ถูกผลักกันออกมาเพราะอำนาจวิริยกให้คิดอยากให้ปรุงเรื่องนั่นเรื่องนี้นั่นแหละขณะนั้นความอยากประเภทนี้สงบตัวลงจิตจึงไม่คิดไม่ปรุงเรื่อง หนึ่งเรื่องใดพอที่จะให้เพลิดเพลิน เ, เข้าโศกไปตา่างทรงความสงบไว้ผลแห่งความสงบนั้นคือความสุขเย็นใจเบาใจเนี้ยปรากฏเป็นความแปลกประหลาดอาจจจัศจรรย์ขึ้นภายในใจตามขั้นแห่งกิจแห่งธรรมของตนนี่เรียกว่าเดินตามร่องรอยอย่างนี้ เมื่อจิตมีความสงบพอประมาณย่อมไม่หิวโหวยกวนกระวายกับการคิดในเรื่องนั่นเรื่องนี้เหมือนแต่ก่อนแล้วนำจิตดวงที่มีความสงบพอสมควร น, นั้นพินิจพิจารณาโดยทางปัญญาคำว่าปัญญาคือการสอบสองไกลกรองในสภาวะธรรมทั้งหลาย จะเป็นรูปรูปนอกก็ตามรูปในก็ตามเสียงเสียงดีเสียงชั่วก็ตามกลิ่นรดเครื่องสัมผัสที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาหูจมกูกลิ้นกายก้องกล้องเราพินิษพิจารณาลงหาความจริงไม่ใช่พิจารณาเพื่อความเพลิดเพลินไม่ใช่พิจารณาเพื่อความเศร้าสกเสียใจเหมือนโลก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 ที่สมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายนั้นเป็นอาการอันหนึ่งที่กิเลสมันแต่งตั้งขึ้นมามีทั้งหญิงทั้งชายออกจากคำว่ามีทั้งหญิงทั้งชายแล้วมันก็แตกขแขนงออกไปไม่มีสิ้นสุดเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ปรากฏเป็นต้นขึ้นมาแล้วย่อมเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบปเป็นลำดับตันบาน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 นอกจากว่าเป็นหญิงเป็นชายแล้วยังว่าสวยว่างามว่าน่ารักใคร่ชอบใจและน่าเครียดน่าจังความเครียดความชังนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมน่ารักใคร่ชอบใจก็เป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นโครงโครงการของกิเลสทั้งมวลในตัวของบุคคลนี่แลเรียกว่ากิ่งก้านของมัน แล้วยังแตกแหนงออกไปอีกไม่มีสิ้นสุดนี่เป็นเรื่องของกิเลสที่มีฝังอยู่ในจิตใจของแต่ละคนแาะสัตว์ไม่สงสัยทีนี้คำว่าปัญญาณคลี่คลายดูสกุลอากาศที่กิเลสมันไปปักเสียบลงไว้อย่างลึกฝังขั้วหัวใจเราจนทะลุหัวใจว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างาม แล้วแยกแยกออกโดยความจริงอันเป็นฝ่ายธรรมว่ามันสวยงามที่ตรงไหนดูไปตั้งแต่ผมนี่แหละเลื่อยลงไปผมเส้นหนึ่งมันก็ส ก, กับปรกเท่ากันกับเส้นหนึ่งของมันและเต็มอยู่บนทิษะของเรามันก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลในผมเส้นนั้นๆตกลงในอาหารการบริโภค สะอิดสียนไม่อยากรับทานกันทั้งทั้งทั้งที่ว่ามันสวยมันงามมันที่แปลงเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกแง่ทุกมุมอันเรื่องของกิเลสเป็นนั้นนี่เราพิจารณาแก้วความผูกมัดของกิเลสความปักปันเก็บแดนอย่างจงมิดของกิเลสถอนกันขึ้นมาด้วยปัญญามันสวยงามที่ตรงไหนมีแต่ผมเท่านั้นรักได้ที่ไหนมัด ผมที่เขาตัดทิ้งไว้แล้วไม่มีเจ้าของเอามาดูสิเอามาชมลิชอบใหม่ถ้าจะชอบที่ไหนเพียงเส้นผมขนก็เหมือนกันอีกเอาหนังอ่ะแยกเข้าไปนี่ละนักปฏิบัตินักจะลื้อถอนจริงจำปลอมที่มันฝังลึกอยู่ในขั้วหัวใจออกมาให้เห็นความจริงด้วยปัญญาธรรมติตธรรมให้แยกอย่างนี้ ดูหนังทั้งหนังหนังเขาหนังเรามันเป็นหนังด้วยกันหนังหญิงหนังชายมันเป็นหนังด้วยกันดูข้างนอกเป็นอย่างไรชะล้างกันอยู่ตลอดเวลาสิ่งใดเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์เครื่องนุ่งห่มใช้สอยถ้าเข้ามาคละเคล้ า, า ก, กันกับร่างกายที่ว่าสวยว่างามนี่แล้วมันกลายเป็นของสกปรกโสโรครกไปหมด ไม่ว่าเสื่อผ้กเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่ที่อาศัยต้องเช็ดต้องปัดต้องกวดต้องช้าต้องล้างเพราะร่างกายนี้มันเป็นตัวปฏิกูลอยู่หมดทั้งตัวแล้วเป็นแต่เพียงกิเลสมันบังคับหัวใจของคนโง่เพราะอำนาจของมันให้เป็นไปตามมันให้เชื่อถือมันเรียกว่าเป็นของสวยของงามไปเท่านั้นความจริงมันปลอมทั้งร้อยเปอร์เ็นมันงามที่ไหน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 ชัดเจนด้วยความจิ่นไม่ใช่ปลอเต็มเยิ้มไปด้วยปูโปโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองและนานไปกว่านั้นมันก็เน่าเฟะไปหมดไม่ว่าหนังว่าเนื้อว่าเอ็นว่ากระดูกเต็มไปด้วยของปฏิกูลหมดทั้งตัวของมนุษย์เรานี้หาความส ะ, สะอาดสะอา้านหาความสวยงามที่ไหนมีทำไมจึงหลงกันนอนนักเอาหนาว่าของสวยของงามทั้งๆ ท, ท, ที่มัน เป็นป่าชา้าผีดิบหมดทั้งตัวนี่เลยแม้ชิ้นเดียวที่จะยกออกมาว่าเป็นของสวยของงาม น, น่ารักให้ปรับใจไม่มีเลยทำไมจึงได้จมกับความกล่อมของกิถึงขนาดนี้มนุษย์เ่าทั้งคนเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติธรรมที่จะเปิดเผยที่จะสอดส่องมองหาความจริงในสกลกายนี้มีอยู่คือปัญญา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 ความจริงท่านอาตุพาก็เป็นความจริงท่านมันไม่สวยไม่งามมันลบล้างคำว่าสวยงาม น, น, นั้นได้จากนั้นก็เป็นอนิจจังแปรสภาพธรรมราคิเลศมันไม่ไ ด, มไมได้มันไม่ได้ว่านะว่าโลกนี้เป็นอนิจจังมันบังคับให้เป็นนิจจังให้เป็นสุขขังให้เป็นอัตตาไปหมดทั้งโลกกถานนี้นี่เป็นเรื่องของกิเลสมันปลอมเป็นตัวของมอนันแค่นี้ เรื่องทาแยกไปทาความจริงแล้วในร่างกายนี้มันเป็นอนิจจังทั้งหมดทั้งร่างเลยมันแปรอยู่ตลอดเวลายิ่งคนตายแล้วยิ่งเห็นได้ชัดเอาไว้สิประมาณสักยี่สิบี่ชั่วโมงเท่านั้นจะส่งผลิ่นครุ้งไปหมดเ้าเ <c oughs> ข้ามาในบ้านในวงศพนั้นจะไม่ได้ เ, <c oughs> เหมือนกับคนคนนี้ แต่ก่อนเราว่าเป็นเทวดาแล้วกลายเป็นตาชา้าผีดิบให้เห็นอย่างชาัดเจนถ้าพิจารณาทางตามหลักกรรจินแล้วทำไมจะไม่ย้อนถึงตัวของเราได้ผู้ที่ไม่ตายไปเห็นศพที่ตายแล้วนี่เรียกว่าปัญญาจากนั้นกับพิจารณาที่คร้าวไปกําหนดมันเน่า ท, ท, ทั้งที่ไม่ตายนี้มันจะตายแน่ๆคายคือปัญญากลางไว้ข้างหน้าดักมันให้หมด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 นอกฉนั้นยันมากคือวัวเชียดอีกนั่นนี่คือความกินขั้นน่จากนั่นก็กระจายลงไปส่วนที่เป็นน้ําก็กลายไปเป็นน้ําตามธรรมชาติของมันส่วนที่เป็นดินก็กลายสภาพลงไปเป็นดินตามสภาพของมันเป็นลมเป็นไฟก็ไปตามสภาพของตนเองนี่ก็เป็นความจริงขั้นนของปัญญาที่พิจารณาให้ถึงความจรินตามขั้นตามขั้นดังที่กล่าว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 ยิบย่ำถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายพร้อมกันกับความรู้แจ้งแทงทะลุของมันทั้งเป็นฝ่ายอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งเป็นฝ่ายอสุภะอสุพังเรียบไปหมดนี่เรียกว่าปัญญาขั้ น, นทิ่พิจารณาตามความจริงอ่าที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือทุกขเวทนา ที่มีอยู่ในร่างกายอันเป็นสิ่งที่เด่นชัดในขันนี้ในขันหานี้เวทนาเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เกิดทุกข์ขึ้นในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือขณะนั่งภาวนาห น, านีก็เป็นปัญญาอีกขัน้น แต่ปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นที่เฉียบขาดเป็นขั้นที่เด็ดเดี่ยวอาจฐานมากทีเดียวจึงจะทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้แก่ทุกเวทนาทุกเวทนากล้าสาหัสมากเท่าไรสติปัญญายิ่งจะหมุนตัวเป็นเกลียวเข้าไปกับทุกแยกทุกออกจากกายแยกกายออกจากทุกแยกทุกกับกายออกจากกาิ หรือดูจิตแล้วดูทุกขเวทนาแล้วดูกายถ้าเห็นเป็นสัตว์เป็นส่วนด้วยปัญญานั้นไม่ยอมถอยคําว่าอยากให้ทุกข์หายนี้อยาไปอยากความอยากนี้นั่นแหละนั่นท่านเรียกว่าสมุทัยอยากให้ทุกข์หายเท่าไหร่ทุกยิ่งเพิ่มขึ้นอยากทราบความจริงนั่นแหละเป็นความอยากที่ชอบทำเรียกว่าเป็นมักคือทางที่จะให้เรารู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงที่เราต้องการ ให้อยากตรงตรงนั้นในขณะที่ทุกเกิดขึ้นมากๆเราอย่าไปหมายปา่าช้าอย่าไปหมายเรื่องความล้มความตายอย่าไปหมายเรื่องความอยากหายจากความทุกข์ทั้งหลายแต่ให้มุ่งมั่นต่อความจริงด้วยปัญญามีปัญญานี้เท่านั้นจะเป็นผู้ฟาดฟันหันแหลกจิงจอมปลอมที่คาดน้นหมายนี้ปา่าช้าปัาลกทัศ์ที่ไหนว่าเป็นที่เป็นที่ตาย ตลอดถึงความทุกข์ทรมานต่างๆปัญญานี้จะฟาดปันหันแหลบให้เห็นกินไปหมดแล้วลงมายุติกันที่จิตอันเป็นความกิงทุกขเวทนาก็เป็นความกิงอันหนึ่งกายก็เป็นความกิงอันหนึ่งจิตก็เป็นความกิงอันหนึ่งเมื่อต่างอันต่างกินแล้วนั่นแหละคือความถูกต้องของธรรมทุกขจะหายไม่หายไม่สําคัญขอให้รู้ความกิง นี่เป็นหลักการปฏิบัติและเป็นจุดที่เรามุ่งหมายเป็นสิ่งที่เราต้องการโดยแท้นี่นี่ก็เป็นปัญญาอีกขั้นส่วนสัญญาสังขาร น, นี้ขึ้นอยู่กับจิตขั้นละเอียดมากแม้จะอธิบายสังก็จะเข้าใจได้ยากเมื่อยังไม่ถึงขั้นแต่ควรเข้าใจกันแล้วคือสัญญาความหมาย มันหมายออกไปจากจิตนี้แหละผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบเรื่องสัญญาของตัวเองได้อย่างชัดเจนและปลดเรื่องกันได้หายความหลอกลวงตัวเองคําว่าสัญญาคือตัวละครมันซึมออกไปเหมือนกระดาษซึมออกมาเป็นภาพเมื่อซึมออกไปเราก็ไม่รู้เมื่อปรากฏเป็นภาพขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้เราก็เข้าใจว่าเป็น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 รูปจะพิจารณารูปไหนก็ตามยกตัว อ, อย่างเช่นท่านให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็เราแม้จะมีอยู่ในตัวของเราที่เรียกว่าป่าช้าทับประเภทมีอยู่นี้หมดในร่างกายของเรานี่เราไม่สามารถจะทราบจึงให้ไปดูอย่างดูอย่างเด่นชัดของคนตายแล้วในป่าช้านั้นแล้วย้อนเข้ามาเทียบกับตัวของเราเองซึ่งมีความจริงเท่ากันเป็นเหมือนกัน พอได้หลักให้เกณฑ์จากนั้นแล้วเราก็พิจารณาตัวของเราปล่อยการประเยี่ยมปัดช้าภายนอกก็ได้ น, นี่พูดถึงเรื่องขั้นปัญญาให้พิจารณาชอดซองบังคับบัญชากันด้วยสติอยู่โดยสม่ำเสมอการฝืนนั่นแหลคือการต่อสู้กับพิเดษ อ, อดการอดการทนในการประกอบความพักเปี่ยนนั่นแหลคือการต่อสู้กับพิเลษ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 แล้กรอมเราให้หลับทนิทยโดยไม่รู้สึกตัวว่านั้นคือกิเลสเลยมีทุกรูปทุกนามทุกดวงใจทำไมเราจะทราบได้ทำเท่านั้นเป็นเครื่องส่องเป็นเครื่องวิภาควิจารเป็นเครื่องพินิจพิจารณาที่จะให้ทราบสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องจอมปลอมขึ้นมาได้โดยไม่ต้องสงสัย <c oughs> เพราะทำนั่น่ะ นับวันที่จะเหนือกิเลส ข, ขึ้นไปทุกวันเมื่อได้รับการอบรมการศึกษาการบำรุงการรักษาอยู่เสมอจิตก็จะมีความเจริญขึ้นด้วยความสงบสุขปัญญาก็จะมีความเจริญขึ้นด้วยความเฉียวฉลาดรอบตัวและรวดเร็วไปโดยลำดับสติกับปัญญาก็นับวันจากเรียงไกลไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปโดยลาดับลำดับดนี่แหละ ธรรมาชาตินี่แหละจะสามารถรู้สิ่งเหล่าที่กล่าวมาเหล่านี้ได้ไปโดยลำดับบไม่ต้องสงสัยจนกระทั่งรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งเหล่านี้และหมดไปจากจิตใจแล้วไม่มีอะไรที่จะมาะแทรแทนอาการอย่างนั้นให้เราเห็นอีกนี่ทำไมจะไม่รู้มาเป็นแค่นั้นแล้วอาการเหล่านี้มันเป็นกิเลสมันเป็น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 ตามชะตามล้างตามจองล้างจองผราน ก, นกันกับสิ่งเหล่านี้ให้มันแหลกแตกกระจายไปจากจิตใจได้นี่แหละที่วัดธรรมนับวันเหนือกิเลสขึ้นไปโดยลําดับเมื่อได้รับการอบรมศึกษาอยู่เสมอเหนือจนกระทั่งถึงปราบให้ราบเรียบไปจากใจได้เราอย่าไปคิดครั้งปุทธการกรับครั้งนี้ว่ามีการต่างกันอย่างไรไม่มีสิ่งใดต่างกันโดยหลักความจริงครั้งนั้นกิเลส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 เ ว, เวลาเวลามาถึงสมัยเรานี้แล้วจึงเป็นจีเลตประเภทหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่จิเลตประเภทนั้นจําต้องเปลี่ยนแปลงอัดทำขึ้นมาแก้ไขกันใหม่จึงจะทันกันอย่างนี้ไม่มีมันจะออกแง่ใดมุมใดก็ตามเป็นแง่ของจีเลตเป็นมุมของจีเลตที่จะต้องปราบด้วยธรรมอันเป็นความชอบธรรมจากสวาละธรรมของพระเจ้าแล้วทั้งนั้นไม่นอกเนื้อไปจากสวขละธรรมนี้เลยสาคัญที่เราจะนํามาใช้เล่อยาเสียดายชีวิต อันเป็นเครื่องฝังจมอยู่กับกิเลสเอาตายให้ตายด้วยอัดด้วยรมเป็นสิ่งที่สงา่างามากในเพศของนักบวดแับนี่นี่ยปัญญาให้พิจารณาอย่างนะเอาให้กินให้จังนะักปฏิบัติไม่มีอะไรที่จะเลิศยิ่งกว่าทมภายในใจเราอยาไม่อยากพูดว่าทา ใ, ในที่นุ่นทาในที่นี่เพราะไม่สนิทใจเลย ถ้าพูดว่าทําในใจวิจัยกับทําเป็นเดียวกันนั้นถึงไหนถึงกันเราพูดได้เต็มปากเพราะรู้อยู่เต็มใจมีไม่ได้อ้วน <S 2> <S 2> <S 2> นี่เราให้ปฏิบัติลงที่นี่เวลานี้จิตกําลังเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเราทราบใหม่เราเป็นนักปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบผู้อื่นหาทางทราบได้ดยากนอกจากผู้นั้นก็เป็นผู้สนใจในการปฏิบัติจะทราบถึงเรื่องว่าเอ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 นี่ใจก็เช่นเดียวกันเรียบร้องหาความช่วยเหลือจากเราเราจะนำอะไรไปช่วยจิตใจหรือจะนำพืนนนำไฟเข้าไปเผาให้มันแหลกแตกกระจายไปอีกนั่นเลอไม่สมควรจะนั้นปฏิบัติเราเลยจิตมันติดอะไรตามแก้ให้ได้เราอยาเห็นว่าเป็นความลำบากลำบนซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกอีกทั้งนั้นอย่างไรจะแก้ได้อาแก้ลงไปพิจารณาลงไปนี่ถึงขั้นปัญญาที่ควรพิจารณา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 พอกำหนดนี้ปิดสงบเข้าไปเลยเพราะความชำนาญต่างกันเช่นเดียวกับเราเริ่มเรียนหนังสือเขียนหนังสือจะเขียนแต่ละตัวนี้เราต้องนึกถึงตัวมันซะก่อนอักษร น, นั้นสละนั้นหรือพยัญชนะนั้นก่อนที่ทจะมาผสมตัวได้ก็เสียเวลา้นาทีนี้กับความชำนาญในการเรียนการเขียนแล้วนั้นเป็นอย่างไรพอ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 ก็เพื่อกําลังบางชาของาธาตุของขันธ์นั้นนี้ที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบงานต่อไปการพักสมาธิเพื่อความสงบใจหนึ่งใจสงบเย็นถอมา้แล้ ว, ลวมีกําลังทั้งการพิิพิจารณาเพราะจิตต่อเพรที่มีความสงบตัวแล้วย่อมมันหิวโหยย่อมม า, ววมมาทะเทลาะทะเลิไปตามอารมณ์ต่างๆดังที่เคยเป็นมาพาพิณิพิจารณาอะไรก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นปัญญาจริงๆ นั่นสมาธิอินเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความอินตัวและตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาทางด้านปัญญาได้เต็มเมดเต็มหน่อยถึงค่าเวลาสงบให้พิจารณาให้สงบงนั้นถึงเวลาถึงการที่จควรพิจารณาปัญญาให้พิจารณาจะเป็นความสงบขั้นใดควรแก่ปัญญาขั้นนั้นขั้นนั้น อย่าไปคาดว่าต้องในสมาธิขั้นนั้นแล้วจึงพิจารณาปัญญาหรืออยู่ๆมีสิ่งใดเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ควรจะได้อุบายจากสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์นั้นเราก็พิจารณาได้ทั้งๆ ท, ท, ที่จิตยังไม่สงบก็าตามแล้วแต่ความถนัดความเหมาะสมในขณะที่จิตต่างๆมาสัมผัสนั้นนี่เป็นหลักสําคัญมากในการปฏิบัติ <c oughs> เอาให้ได้จิตไม่มีอันใดประเสริฐยิ่งกว่าจิตในโลกทั้งสามนี้ กามโลกรูปโลกอรูปโลกมีท่านเรียกว่าโลกสามและโลกธาตุสามก็คือนี่แหละไม่ใช่อะไรทั้งสามนี้เป็นมีพิเรสเป็นผู้ควบคุมทั้งนั้นไม่มีโลกใดจะเหนือพิเรสนี้ไปได้เลยพิเรสจรึงเป็นตัวมีอำนาจมากที่สุดในสังฆรกรแห่งความ ท่งเที่ยวเกิดเสียเกิดตายขงสนี้เป็นความบงการของกิเลสทั้งหมดพาให้เกิดพาให้ตามให้เกิดในภพนั้นภพนี้น้อยใหญ่เป็นเรื่องของกิเลสคืออวิชชาตัวพาให้เกิดวิบากได้จะบาปบุญเป็นสิ่งที่แทรกไปตามพื้นฐานของอวิชชานั้นพื้นฐานคืออวิชชาพาให้เกิดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แทรกพาให้เกิดชุมสูงต่ำนู่นนั่นไปด้วยอํานาจแทนยิบากรำอันดีและชั่วบุญบาปต่างกัน นี่มีอยู่ที่จิตเรานี้ไม่มีวิชาใดในโลกนี้ที่จะพิสูจน์ความจริงอันนี้ให้เด่นชัดขึ้นประจักษ์ใจนอกจากวิชาธรรมอปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิปฏิเวปฏิเวทธรรมสามอย่างนี้กลมกลืนกันแล้วความจริงอันนี้จะเด่นขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องไปถามใครว่าตายเปิตายสูน ถามทำไมความจริงมีอยู่กับเราของเต็มหัวใจอยู่แล้วเราจะเริ่มทราบไปเดิมตั้งแต่จิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิย่อมเป็นตัวของตัวในขั้นนี้ขันคือรูปกายเป็นอย่างหนึ่งความสงบของจิตความสว่างกจ็จางแจ้งของจิตเป็นอีกอย่างหนึ่งอยู่ภายในร่างอันนี้แต่ไม่ใช่ร่างอันนี้นพอถึงขั้นปัญญา จะตัดเกี่ยวฟันมันติดมันสัมพันธ์อยู่กับอะไรยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งใดในธาตุในขันธ์นั้นเอพิจารณาไปตั้งแต่รูปกายดังที่กล่าวนี้จนกระทั่งถึงมันพอตัวไม่มีอะไรที่จะสงสัยอีกแล้วภายในร่างกายนี้ถอนอุปาธารมความทีดมัน่นถือมั่นในกายออกมาได้อย่างเด่นชัดหายสงสัยการพิจารณากายในเวลานั้นหมดปัญหาไปแล้ว เพราะอิ่มตัวแล้วเห็นชัดแล้วพิจารณาไปเพื่ออะไรนานอย่างนี้จึงเรียกว่านักปฏิบัติให้มันเห็นอย่างนี้หิวก็ให้รู้ว่ามันหิวมันอิ่มก็ให้รู้ว่ามันอิ่มมันยึดมั่นถือมั่นด้วยความหิวโหยก็ให้รู้ว่ามันยึดมั่นถือมั่นด้วยความหิวมันอิ่มตัวแล้วด้วยการพิจารณารู้แจ้งแทงทะลุตามหลักความจริงของมันก็ให้รู้นี่ทีนี้การพิจารณาเวทนาทั้งามัญามกลางว จะเป็นขันใดก็ตามไม่ใช่เราจะต้องพิจารณาไปทั้งหมดพิจารณานี้แล้วพิจารณานั้นมันถนัดในขันใดเวทนาใดพิจารณาเธอวิ่งประสานกันไปหมดในขันทั้งสี่นี้เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนแล้วขันนี้ก็เป็นแต่อาการอาการอันหนึ่งเท่านั้นมันไม่ใช่ตัวจริง น, นั่นนี่แหละภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้เวทนาความสุขความทุกข์มันมีเกิดมีดับมีตั้งอยู่เพียงเท่านั้นเรื่องของหมัน สัญญาเขามีความเกิดความดับถ้าเราไม่หลงมันแล้วจะมันก็จะมีพิษมีสงอะไรกับเราทั้งขานความปรุงปุงดีปรุงชั่วปรุงอะไรก็ตามมันพร้อมกันทั้งนั้นด้วยความเกิดความดับไปต่างๆกันแล้วเป็นเราเป็นข้องลังที่ไห น, นวิญญาณคํารัูทราบจากรูปเสียงกิน่นรสเครื่องสัมผัสที่เข้ามากระทบตาหูจมูกร่างกายของเรามันก็สักแต่ว่า เกิดแล้ดับเกิดแล้วดับสัมพัสแล้วดับไปดับไปเหมือนแสงหิ้งห้อยแล้วเอาความจริงจากแสงหิ้งห้อยที่ไหนได้ปัญญาอย่างทราบลงอย่างทราบลงนี่ก็ตัดไปหมดที่อืมอาการทั้งห้าคือรูปก็เป็นอันว่าผ่านไปแล้วด้วยความรู้จริงเห็นจริงเมทนาสัญญาสังขารวอย่ญญางอันเป็นส่วนละเอียดเว้นเวทนาจิต เวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายรู้ได้ชัดปล่อยได้อย่างชัดเจนสัญญาทัา้งขานวิญญาณอากาแต่ละอาการอาการทั้งแต่ว่าอาการมันเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนกันอืถ้ามันเป็นจัดเป็นบุคคลมันจะเป็นอาการยังไงอาการมีการเกิดขึ้นมีการดับไปมีการเคลื่อนไหวกันอยู่ตลอดเวลาอันนี้จังทุก ข, ขาา์ขันธ์เต็มตัวของมันเต็มช่วงมันทุกขขันธ์เห็นได้อย่างชัดเจน จิตเมื่อเห็นอย่างชัดเจนแล้วย่อมไม่หลงอาการของตัวเองย่อมไม่ตื่นเงาของตัวเองคืออาการทั้งหา้า น, นี้คือเงาของจิตนั่นแหละจริงจิตมีอวิชชาเป็นตัวหลอกให้หลงอยู่ในนั้นนัดไปตะล่อมเขาไปตล่อมเข้าไ ป, าไปดังที่กล่าวมันจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดในอาการที่กล่าวมาคือรูปเวทนาสุขทุกข์เฉยๆภายในร่างกายสัญญาความจํา ได้หมายรู้สังขารความคิดความภูุงวิญญาณความรับราาเวลาสิ่งที่มาสัมผัสแลดับไปดับไปทั้งห้านี้เป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นหลงมันอะไรนี่หมายถึงาปัญญามันชัดแล้วมันล่อยของมันเองเมื่อเปชนันคำว่าวิชาซึ่งอาศัยสายทางทั้งห้านี้เป็นที่ที่ออกเที่ยวหากิ่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 เหล่านี้มีแต่เพียงอาการไม่ใช่กิเลสนะรูปไม่ใช่กิเลสเวทนาไม่ใช่กิเลสไม่ว่าถุขว่าทุกข์เฉยๆไม่ใช่กิเลสทั้งนั้นสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างไม่ใช่กิเลสเป็นทางเดินของแต่เป็นทางเดินของกิเลสหรือเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อสติปัญญาได้กันกรองหรือได้ฟาดฟันเข้าไปฟาดฟันเข้าไปสิ่งอันนี้จึงทราบได้ชัดว่าเป็นเพียงเครื่องมือและตัดกันออกตัดกันออกตัดสะพานกันให้ขาดว่าขาดไปก็เหลือแต่อวิชชา ที่ว่าปัจญาสร้างฆาราให้เกิดนันก็นี้มันไปไม่ได้ที่นี่เราจะอวิชชาอวิชชาตัวนี้ลึกลับสลับซับซ้อนเกินกว่าที่สติปัญญาธรรมนาจะรู้ได้เลยต้องเป็นมหาสติมหาปัญญาเท่านั้นที่จะฟาดฟนันแหถกันเข้าไปได้นั่นแหะที่นี่นะนี่แหละเราพิสูจน์เรื่องวัตจักรมีอธิบายให้ฟังว่าการพิสูจน์รเรื่องวัตจักรก็ถูก จะถอดถอนวัฏจักรออกจากจิตนี้ให้โดยสิ้นเชิงก็ไม่ผิดเพราะมันอยู่ด้วยกันเมื่อพิจารณาเข้าไปถึงท่านนี้แล้วมันหมดปัญหาที่จะไปสืบต่อที่จะไปดูดดื่มกับการพิจารณารูปพิจารณาเวทนาทัญญยาทั้งขามีญาติมันหมดการสืบต่อคือมันอิ่มตัวหมดแล้วสิ่งที่ไม่อิ่มก็คือความดูดดื่มภ า, ายในจิตทั้งตนเองเมื่อมีปัญญาอยู่แล้วมันดูดดื่มอะไรอยู่ในที่นั่น อะไรที่มันปรากฏนั่นแหละคือสมมูิกำหนดสติปัญญาเข้าไปในกลุ่มนั้นตามหลักธรรมชาติแล้วจะเป็นความที่อัศจรรย์อยู่มากภายในจิตตองนั้นแต่ความอัศจรรย์นั่นคือเครื่องหลอกได้จากตัววิชาแพรเมื่อสติปัญญาทันมันแล้วอันนั้นก็แตกกระจายไปสลายไปหมดไม่มีจิตใดเหลือเลยนี่แหละคือการทาลายสังสารจักภายในจิตเมื่อวิชาดับลงไปแล้ว ทำไมจะไ ม, ไม่รู้ได้อย่างชัดเจนว่าจิตนี้เคยเกิดเคยตายมากีพพ่ภพกี่ชาติภพน้อยภพใหญ่เพราะอะไรเป็นสาเหตุทำไมจะไม่รู้ตัวที่เป็นสาเหตุนี้ได้ถูกทำลายกระจายลงไปหมดไม่มีอะไรแม้แต่ผุยผงแล้วเวลานี้จิตนี้ในบริสุทธิ์เป็นตัวเด้วจะไปเกิดที่ไหนอีกทิมนั่นมีการพิสูจน์ต้องเอาหลักพุทศาสนาเท่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์หลักพุศาสนา ก, นาก็ รวมเกนกันด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคำว่าปริยัติเปรเยสารมานะคาลันตาตะโจ น, นี้ก็คือปริยัติเหมืนําวิธีการที่ท่านอุปชาและท่านสอนเข้าไปปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติการรู้เห็นไปโดยลําดับค่อยถอดถอนตนไปด้วยความรู้ความเข้าใจของตนไปเดิมลาดับนี่เรียกว่าปฏิเวทะหรือปฏิเวทค่อยรู้แจ้งเข้าไปโดยลําดับๆจนกระทั่งที่รู้แจ้งแทงทะลุหมดที่เด็ดตัญหาวิชาหมดภายในจิตใจแล้ว อะไรจะไปเกิดที่นี่น ะ, ะหมดมาจากภายในจิตไม่ต้องไปถามใครถามทำไมความจริงเต็มหัวใจอยู่นี่ถามคระอะไรสันทิฏฐิโกความรู้เองเห็นเองนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงปูกขาดมอบพระออวาทไว้สำหรับภิสูจ ต, ตนเองซึ่งความจริงมันมีอยู่กับตัวเองด้วยกันจนเห็นแจ้งเห็นจริงในความจริงของตนแล้วจะไปถามใคร นั่นแหละคำว่าวัตจักรบันไลจากจิตตายแล้วไม่เกิดคืออะไรที่นี่ก็คือจิตดวงนี้ตายก็หมายถึงธาตุขันธ์สลายตั้นไหนจิตมันเคยเกิดเค ย, เค ย, เคยตายที่ไหนมาไม่เคยมีแต่อวิชชาพาให้มันกลิ้งเหมือนฟุตบอลท่านเองเอา่าพอวิชาหมดฤทธิ์หมดอำนาจแล้วมันไม่กลิ้งกลิ้งนั่นแหละธรรมโมปิโปความสว่างกระจ่างแจ้ง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 นิพพานศูนย์ศูนย์ทั้งรู้อยู่นี่นี่วางเลยศูนย์ในบรรดาสิ่งที่เป็นสมมุติที่เรียกอาสวะประเภทต่างๆศูนย์ไดปหมด<อ>ผู้ที่รู้ว่าทิเรียกศูนย์นั้นรู้อยู่มีอยู่นั่นแต่ไม่มีอยู่แบบโลกแบบลวงสารอันเป็นเรื่องสมมุติแต่ไม่ศูนย์ไปแบบโลกแบบลวงสารอันเป็นเรื่องสมมุติอีกเหมือนกอันจะว่าอย่างไรรู้อยู่อย่างนั้นศ<อ>ูนย์แบบนิพพานศูนย์แบบผู้บริสุทธิ์มีอยู่แบบผู้บริสุทธิ์ ไม่ใช่ศูนย์ไปแบบคนมีกิเลสครอบหัวใจไม่ใช่ศูนย์ไปแบบคนมีกิเลสครอบหัวดใจทั้งมีอยู่ทั้งศูนย์ไปเป็นเรื่องของคนมีกิเลสครอบหัวใจท่านไม่อยู่ท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วสิ้นอยู่ตรงนี้นะ <N> นี่ผลแห่งการปฏิบัติอยู่ตรงนี้ไม่อยู่การนั้นมาอยู่สถานที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติถ้าอยากเห็นความเลื่ความประเสริฐของจิตใจว่า ไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกนี้อยู่ที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าสอนสดสดร้อนๆ้อนสุขคตธรรมเหมือนพระองค์ท่านประทับอยู่แสดงด้วยพระโอษฐ์นั่นเราอา่านทำบทใดข้อใดก็ตามเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าประธานพระโตวาสกับให้กับเราผู้เข้าใจในการ อ, าอ่านดูเวลานั้นเวลานั้นนี่ถ้ากันเข้าใจนี่หละจดดารย์ารมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความจริงจดดารย์ หลักของศาสนาแท้คือผู้ร้ผู้บริสุทธิ์นี่คือทำแท้ละทินอาพูดถึงเรื่องทำแท้อาการในทำได้ก็ได้กล่าวมาแล้วแนะนําสั่งสอนทางเหตุทางผลให้ละชั่วทําดีนั่นเป็นอาการเหมือนกับเราตามรอยโขนนี่คือตามรอยรอยทอนเป็นความจริงซึ่งจะมีอยู่ภายในจิตใจนี้แท้แล้วตามเข้ามาตามข้ามาจนกระทั่งถึงที่นี่แล้ว รอยร่องรอยทั้งหลายหมดปัญหาหมดพอถึงตัวจริงนี่แล้ว น, นั่นอลาพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากทุกยากลำบากในสุขภาพหรือหน้าที่กางานอะไรความห่วงใย ห, หมู่เพื่อนไม่เคยลดละเป็นอยู่ในหัวใจโดยหลักธรรมชาตินะไม่ใช่เสกสรรบ้นดยอกอยากให้รู้ให้เห็นความจริ ง, งเวลานี้ยศมันมีอำนาจมันครอบหัวใจเรา รอบหัวใจสารโลกมันเรืองริดเรืองอำนาจเรืองวาสนาอืจนอะไรๆเป็นกิเลสไปทั้งหงมวลแม้ผู้ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าตัวเป็นกิเลสรือเอากิเลสเป็นเราเราเป็นกิเลสไปเสียทีนี้เมื่อเป็นเช่นั้นแล้วมันก็ขัดกับธรรมเลยกลายเป็นเราก็เป็นผู้ต่อสู้ธรรมเป็นข้าศิกกับธรรมไปเสียโดยไม่รู้สึกตัวนั้นจึงนําจงนําความภาคเพียนวิริยิตริยธรรมขันติธรรม วิยะคือความเพียรหันติคือความอดความทนในหน้าที่การงานอันจะเป็นทางแก้และทางต่อถอนที่เลยอสติปัญญาธรรมตั้งสติให้ดีพิจิตรพิพพจารณาฟาดันันแหลกกับพิเดชันเป็นตัวฆ่าสุดของธรรมภายในาจเหล่านี้ให้แหลกแตกกระจายไปจนหมดสิ้นแล้วจะไม่ถามโลกใดตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่คิดให้เสียเวลาจะพอตัวอยู่ภายนจิตดวงนั้น ตลอดอ น, นันตากาศการแสดงก็เห็นว่าเป็ส่วนที่สิบเนื่องในภายในจิตใจเอาแค่นี้อย่ามองไกลนะให้มองลงตรงนี้นะอย่าไปคิดไะกิเลสอยู่น้นดูนี้อะไรอะไรอยู่ที่โน้นที่นี่ให้ดูลงที่หัวใจนีนะะเป็นทีมแน่ใจเราพูดด้วยความแน่ใจอภฟเษกกันลงที่นี่ สติสำคัญมากนะสติปัญญาสำคัญเราแยกเก็บหยุดแยกแยกแยกไปอย่างนี้ไม่ได้มายท่านใจเลยเพราะเครื่องมือชั้นเอกสติกับปัญญานี่เป็นเครื่องมือชั้นเอกตับธาความเพียรความอดความทนนี้เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นสเสบียงอันนั้นเป็นแนวรบแต่แคเป็นเครื่องมือแ ไม่ถอยนี่ไม่ถอยแล้วจะสู้ด้วยวิธีใดเนี่ยนี่นั่นก็มีอะไรมันมีสติกับปัญญาและอดทนถ้าไม่อดทนมันก็เลยมันเลยลืมคิดไปนั้นเนี่ยมันมีสติปัญญามันหมุนติ้วที่มันยอมถอยอย่างนี่ยอืมอ้าอ้มันถึงความจริงมันจะไปถึงไหนวันนี้นี่ที่สำคัญนะอะไรตายอะไรตายก่อนหน้าหน้าหลังกันให้มันรู้วันนี้จะสอาบขอทราบแต่ความจิงเท่านั้นแหละ มันถอยไม่ได้เพราะความต้องการความติงเนี่มันมันเหนือชีวิตซะแล้วเอามันจะล้มลงไปก็มันล้มเลยฟาดกันตรนั้นโอ้โหสติปัญญาียาวมันจริงจริมันมีทางไปยิ่มันสู้จริงนะมันหมุนติ้วที่มันฟาดกันแล้วก็ขาดกระจายไปเลยพอมันขาดกระจายเมื่อไรอาจจะจันทรความอู้จักไม่แสดงได้อย่างไงนั่นคือเห็นฤทธิ์ของสติปัญญา เห็นฤทิทุกผีเดียถ้าลงเล่นหมุนเตี้ยวกันเมื่อไรแล้วมันเห็นทุกทีนี้ที่จะให้ประทับใจไม่ยกสติปัญญาขึ้นมาเทศเอาอะไรเทศว้าว่างั้นเลยนะะอันนี้เป็นเครื่องบุกเบิกอันนี้เป็นเครื่องทําลายค่าศึกทั้งหลายน้อยใหญ่ภายในจิตใจให้แตกกระจายไปไม่นอกเหนือจากสติปัญญานี้เลยนานโอ้โหมันทุกจริงนะไม่มีอะไร การต่อสู้ในโลกนี้ถ้าที่จะต่อสู้ยากลำบากแสนสาที่สุดยิ่งกว่าต่อสู้ที่เละแล้วพูดได้อย่างเต็มปากทีเดียวแต่เวลามันผ่านของมันไปมันไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเลิศยิ่งกว่าอ้าวของคุณน้ชัยชนะแ น, น่มันคุ้มค่าไม่ได้เสียดายกำลงัง เราทำอย่างนั้นไม่ได้แั้วไม่เสียดายเลยดีลังการมันชุบชมมาผมก็รู้อย่างท้องผมมันเป็นมันแต่ผมไม่เคยเสียดายปีนี้ท้องมันเป็ น, นเฉพาะานิสัยเาเป็นนีิสัผ่าตัดผลทว่าอดอาหารก็อย่างว่านะมันไม่ได้คํำมึงคือบอกมันจะเป็นจะตายท้องจะเสียอะไรๆมันไม่เคยคำนึง เพมันได้เห็ น, หนมันเห็นผลของมันอยู่ในการอดนันกับฟาดกันไปในเวลามันแสดงออกมาแสดงมาจกนกระทั่งถึงอดอีกไม่ได้รู้นั่นแหละท่องผมก็เป็นมาตั้งแต่นั้นมเลยเราก็ไม่เสียดายทุกมากอย่างนี้นความเพียรแต่ความมรจะจังกับความทุกข์มัน คุ่มค่ากันใช่ถึงขนาดนั้นก็ไม่เห็นดันความอัศจรรย์แต่ละครั้งละครั้งแล้วเวลามันหมดมันหมดจริงๆนะมันแปลกจริงๆนะควา ม, มรู้นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างมัดในโลกที่ไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดก็พูดไม่ถูกนะละเอียดมันก็เลยเป็น2องวิยาคำถ้าเรามาแยกออกมาว่าละเอียดนะ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 มันสักแต่ว่ารู้นี่หมายถึงเวลามันฟาดเต็มที่เหรนะนี่นะอ่ตะลุมบานก็นเอาเป็นอดตายเขาบอกว่ามันได้ใช้จะนะมันมันลงของมันมันผ่านได้หมดแล้วด้วยอำนาจของปัญญาฟาดฟันกันลงไปลงไปลงไปจนไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวแล้วมันหายเงีบไปหมดเลยพีมันอาจจรนย์น้วมันหมดจริงๆปรากฏว่าไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วทาไมล่ะนี่จะพู้รู้อันเดียว นี่คำว่าพูดรู้นี่จะว่ามาันมัะเด่นเด่นอย่งอันนี้ก็ไม่ได้นะพูดได้เราออกมาพูดได้อย่างเต็มปากก็คือว่าศักดิทวารู้กับอัศจรรย์เกินคาดทาั้งทั้งที่เวลานั้นมันอวิชชาคออรอบงำอยู่นะเราไม่เคยสนใจพิจารณาอวิชชาตอนนั้น <laughs> สวยสวยหมายถึงว่าจริงบางทีข้ากเรกาดเลยว่า <laughs> เที่ยวอาหารตั้งกระดูกกลางๆอะไรก็ยังอร่อยนะนี่มันเป็นขั้นขัพอจากนั้นแล้วมันก็พูดไม่ได้แล้วทีนี้ที้วสอัศจรรย์อาจรย์มันก็เลยมันมันพูดไม่ได้เสียสินั่แล้วมันจะเป็นยังไงฟังสิขั้นนั้นเ่ากาอัศจรรย์เต่เกินข้าดแล้วขั้นกินข้าวครับกากครับแแบบกหลัคืออวิชาเปนอย่างนี้ กินเคี่ยวมันตั้งอวิชาเลยวะ่ะเคี่ยวหัวออวิชาานั่นเรายังว่าอร่อยแม้อาจะพูดด้วยว่าเราได้เคี่ยวหั้ อ, อวิชาก็ อ, าอร่อยอร่อยนักเกิรนเขาด้านว่ะเคี่ยวหัว อ, อวิชาเคี่ยวตายอะไรไม่เห็นได้พิจารณาเพินิดนึงจะว่าเคี่ยวเั็นยังไงใช่ไหมมันไม่ได้เคี่ยวเหมือนมีแต่มันต่อมว่าอาจารย์อาจากันนะพูดพลิกเวลาด้านด้วยโอ้ยความอาหารนี่ต้อมาจากไหนนะ ที่ดูกกลัวเพราแม่ครูบาอาจารย์โมโหไม่ได้กลัวเลยนะมันอาจถามมันอยากพูดอยากเล่าถวายท่านมโมโหคลุกครับขึ้นตังเมื่อกันนะท่านจะเห็นที่สัยเราขนาดนั้นอ่ะตอนนั้นแหละนะแต่ก่อนไม่เคยแสดงอะไรเลยจิตมันจริงมันตังกันขนาดไหนมันก็ไม่เคยแสดงทริยาไม้อย่างนั้นแต่พอความรู้นี้เดืปรากฏขึ้นมาแล้วขึ้นหท่านปั๊บต่พาพอสองข้อสองนะ กาบเรียนท่านเลย อ, อู้ยท่านก็เจ้าของหมาวะอจะมันใครจะไปฉลาดยิ่กว่ท่านนั่นนะคือนี้แต่งกราบเรียนผผึงผึงงงงเลยนะ่ไม่มีสตุสท่ า, ทานนะนี่ความจริงถ้ามันเลยรู้แล้วนะตลอดถึงการพิจารณามันก็รู้เลยพิจารณายัางไงเงมันรู้ไปหมดเลยมันพูดไปได้หมดกระทั่งถึงผลที่มันปรากฏขึ้นมาตัดอย่างเป็นที่พัพูดจบลงเวลาเราพูดนี่ท่านหนึ่นงตัะ อ่านี้ก็ปึงตึตึงตึงตงเลยฮนะโอ้ยบาไม่ไ เ, เลีนคงจะ่าดไ้โอ้ยไม่ใ่เรี้าตัวนี้เวลาขึ้นคจะ่าก่อนไม่เคยขึ้นทีไม่ขึ้นคราวนั้นอาหารพอจแล้วมันต้องอยังนั้นจะขึ้นเลยทีนีท่านก็ใส่ตึงตึงแลก็หมอตังจริงจริงนะที่นี่นะต้องทุกทุทกทีททททอะอามันไม่ตายถึงห้าหนอาภาพเดียวีม่มว มันตายเพียงหนเดียว่านเอาฟาดลงไปที่นี่าแล้วได้ที่แล้วที่นี่ได้การแล้วได้การทันวนเอาฟัดลงไปได้โอมันก็เหมือนหมาตรงนี้พอาออกมาจากททั้งจะกับจะเห่าฟาดกันเรืยเอาเรืยกาบเยนทัานเรื่อยท่านทันหลั่เวลานาวเพราะมันต้องโอ้ยเก้าคืนสคืนกว่านะจนผมนั่งตลอดลุ่มตลอดลุ่มไม่ใช่ธรรมดาเพราะเอากันเต็มเหี่ยวเห็นต้อง ความัจรย์ด้วยทั้งความเครียดแค้นที่จิตมันเสื่อมนั่นด้วยวัวกันเข้ามันมีกำลังเต็มที <c oughs> พอนานเข้าไปนี่ท่านก็แยกออกมาวิเลชนนไม่อยู่กับร่างกายสังวางนี่มันก็ยกอารมณ์มามาเวลามันกำลังคึกขนองนันไม่ยอมฟังเสียงเจ้าของเลยนี่ย ต้องทรมานมันอย่างเต็มที่เหมืนมาคำว่านี้นะไม่ควรให้กินยากให้มันกินเลยทรมานมันอย่างเต็มที่เอาจนมันกรดไม่ได้กันหลันี่พอมันยอมลดพยศลงก็ผ่อนการทรมานกันมันผ่อนความพยศลงหน้าก็การปิดทรมานก็ผ่อนกันลงไปท่านผูดเจริญธรรมนะเราก็เข้าใจกันที ท่านจะพูดมากกว่า น, นั้นเพราะท่านนสของเรากลัวเราจะอ่อนเปียกไปเรอท่าะยัอย่างนั้นเราก็เข้าใจกิเลสมันไม่ได้อยู่กับธาตุอยู่กับกายอยู่กันจิตท่านพูดขึ้นขึ้นรงต้นขึ้นเนี่ยออกอย่างนั้นทั้งไปมากเลยความามายองการทรมานเรารือมันมันผ่าโผล่ทั้งการู้ ไม่กี่วันก็กลับเยี่นท่านด้วยนี่เว้นสองวันบ้างสามวันบ้างาแล้วคือในพรรคนั้นผมไม่นอนกลางวันนะกลางวันผมไม่เคยกลาวันเลยนอกจากคืนไหนผมนั่งตลอดรุ่งนะผมกับพักให้ <c oughs> ถ้าวันถ้าธรรมดาแล้วเป็นไม่พักให้เลยคืนนั้นอย่างียหักผมที่สุดในชีวิตของเราที่เป็นนักบวชนะี่ เป็นพรรษาที่สิบหักโหมมากเกียวมีเกี่ยวเรื่องร่างกายหักโหมมากมีจากนั่นก็จิตที่หักโหมก็คือจิตในขั้นสติปัญญาตัวมรรคอันนี้หักโหมคือไม่ไม่ไม่รู้จักยับยั้งเลยไม่ได้หมุ น, นตีจนจนจะของจะตายนอนไม่ได้คือจิตไม่ยอมนอนไม่ยอมหอม ย, อมอยุดมันทำงานของมัน เป็นธรรมจักรอันนั้นเดี๋ยวห่างโคมกลางจิอ น, นั้นมันเป็นไปโดยอัตโนมัติของมันอ่ะมันแค่บังคับอันตอนต่อสู้กับทุกเวทนาเ น, นี่ยมันบังคับกันทุกดังอ่างโคมร่างกายนั่งขณะงานตอนช้าได้นั่งพราเพียบท้องเอาไอวเนี่ยขอขอคอปลายก้นนี้เหมือนกับว่ามันพองไปหมดนะเฮ้อนั่งขัดสมามไม่ได้คือตอนนั้นเระตอนเราไม่ทน มันก็นั่งนั่ก็นั่งไม่ได้แล้วตอนนั้นเราไม่ตั้งใจจะทนกัมันก็จะสู้กับมันเราจะสู้กับรถอาหารต่างหากเนี่อเราขึ้นรถอาหารต่างหากแล้วก็มีเราไม่ทนกัมันจึงต้องนั่งเพาะเทียบชันต่างงากนี่หมายถึงว่าวันไหนมันมันหักหงวมันเป็นที่จิตลงมัได้ง่ายนะมันมันแพ้ทางร่างกายมากเหรยวแต่ถ้าวันไหนมันจับมันติดปั๊บปั๊บเกาะปั๊บป๊บอย่างนั้นมันก็ธรรมดานั่งตลอดรุ่งเวลาเท่ากันก็ตามไม่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 มันลงเดินมันกลัวไม่ได้หน้าหนาวตัวมันแข็งไปหมดเดินได้ไงนี่เราต้องสงวนเวลาไว้สําหรับเดินให้มากนั่งพักรากังวันเพียงชั่วโมงเดียวลงจากนั้นก็เดินมันกลัจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดพอปัดกวอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปัดกวอดอยู่คนเดียวอยู่มากอะไรเห็นแล้วก็ไปอ่านหน้าในกองในอะไรก็แล้วแต่เขามันไปอยู่ในที่ต่างๆ่ือตามซอกหินซอกขาอะไรก็แล้วแต่ ห่วงในคลองที่ไหนพออาบขึ้นมาที่นี่เดินคนเลยจนกระทั่เย็นมันหนาวเข้าหนาวข้าเลยที่เข้าที่พักออกมาได้นะนั่งอยู่ดินนั่งนานนะมันเหนื่อยมีแต่สมว น, น, นกลางวันต้องพอชันชันเสร็จแล้วล้างบาทล้างอะไรเช็ดบา่าร้อยแล้วไม่เข้าถลกแล้วเอาไปวางมว้ปุ๊บเราเข้าทยองค์ลเลย วัดมันจนหด11โมงเป็นอย่างน้อยเที่ยงออกมามันพักวันนั่นก็อยองเดินอยู่เนละอย่างนั้นเป็นประจำะวันไหนมันร่างกายมันมันแพ้กันมากมันติดมันลงได้ยากวันนั้น่ะมันพี่ว่าคี่ว่าได้ร่งเพระเพียบ นันเพเพียนกเนื้อหันะมันเหมือนไฟเผาอยู่ก้นบางทีก็่นเอามือเอามือทำดูนะมี่มันพองนึกมันมันไม่ได้ฟองไม่พองอะไรกระดูกเหมือนมันจะแตกกลางวันก็ดีนะไม่ใช่เป็นเฉพาะเวลาเรานั่งภาวนานกระดูกตามส่วนร่างกายส่วนต่างๆนี่เหมือนมันจะแตกสั ก, ก, ก, ก, ก, ก, กสหั่เพราะมันบอบช้ำมาตั้งแต่กลางคืนต้องต้องฟังจึงต้องเดินให้มากที่สุด ขนาดเจ็ดแปดชั่วโมงมีผมนั่งในกระดานรุ่งเจ็ดแปดชั่วโมงมี้มีเป็นครั้งสองครั้งเท่ า, านั้นะเป็นส่วนสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนี่ไม่ต้องพูดเป็นธรมธรมดาธรรมดาไม่เห็นเด็ดเหนื่อยอะไรมันงแ ต, ต่อสู้เวทนาใหญ่มาแล้วเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดนั่งสี่ห้าชั่วโมงเวทนาใหญ่ไม่เคยปรากฏธรรมดาธรรมดาหนึ่งความเคยชิน ประการหนึงก็จิตในความมุ่งมั่นที่มันมีกำลังมากมันไปนสนใจอะไรกับความเจ็บปวดอะไรล่ะจะอยู่คนเดียวก็มันสนุกประกอความเปลี่ยนไม่คุยก็พูดกับใครอย่างนี้มีแต่คนเดียว ม, มองเห็นใครเห็นแต่เราคนเดียวไม่กินข้าวกี่วันก็ไม่เห็นใครทั้งนั้นฟาดกันอย่อยางหรือว่ามันโทกุ่้ไหน้าน บางทีกิเลสมันกล่อมเราเหมือนกันนะมาอยู่นี่เหมือนคนสิ้นท่าไม่มีคุณค่าราคาโลกมสารเท้ากันอยู่ได้สะดวกสบายเราทำไมต้องมาเป็นรมานดีในป่าในโลกกับสัต์กับเสืออะไรอย่างนี้ไม่มีคุณค่าราคาอะไรมันทำให้น้อยใจนะมันมีกิเลสมันจะคิดคุณงามเหมือนอย่างพระชิตอะวัชีบุต วัชิบุตรมีลูกชายคนเดียวเป็นลูกเศรษฐีนี่ชื่อวัชิบุตรสกุลวัชีด้วยนะเพื่อนของท่านมิใช่พวกกษัตริย์พวกวงกษัตริย์กษัตริย์นัตวีอะไรนะเมื่ท่านไปอยู่ป่าช้านั่นก็มีทางไปข้างๆป่าปช้านะั้นเขาไปเล่นนักษัตว์แต่ก่อนเยล่นนักษัตว์ก็พวกมโรสพคบงานกันนี้แหละอยู่ป็นอะไร้องรำทําเพลงไปนะั้น ท่านจําเสียงได้เลยสินี่ที่มันทําให้ประวัติกลับประมาหาเจ้าของอือโอ้นี่เขาก็มีความสุขความสบายกันพอไปเท่าลื่นลื่ น, นบันเทิงกันแต่เรามาอยู่ในปา่าช้าผีตายเหมือนเราก็เป็นคนตายคนหนึ่งทั้งที่มีลมหายใจอยู่เราเนี่เป็นคนหมดคุณค่ายังไงถึงต้องมาอยู่อย่างนี้ทําให้น้อยใจนะ ตอนนั้นตาผลว่าเกิดความพ่อถอยน้อยใจเทวดาเคยเป็นเพื่อนกันนะที่เนี้เคยเป็นชากันมาแต่ก่อนสถิติบนอากาศบอกลงมาเลยบอกว่าเวลานี้เป็นเวลาที่มีคุณค่ามากองค์ท่านเองเป็นผู้มีคุณค่ามากประกอบการงานที่ชอบทํำและเป็นการงานที่มีคุณค่ามากไม่มีใครสามารถประกอบ การงานที่มีคุณค่ามากเหมือนอย่างท่านท่านทำไมจึงมาตำหนิปิเตียนในคุณค่าของตนอย่างนี้ไม่สมควรอย่างนี้เ ท, ทวดากรดีได้สติปุบ๊บอีกย้อนเข้าประกอบความฉชืได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นนะวชีบุตรมันมีเรื่องยิรลยมันคอยแทรกตลอด ในวงความเพียรนั่งดาวที่เกิดเคยกล่าวมานี่อนนันนี้เราก็บางทีมันมีมีางานวันหนึ่งเนี่ยผมยังไม่ลืมผมไม่ได้ดูนาฬิกาแล้วก็นั่งภาวนาจะไปดูนาฬิกาอลไรแตมันดึกจริงๆอ่ะตอนนั้นจิตมันลงลงไม่ได้อย่างน้อยต้องหกทุ่มว่าแต่เมั่นันยงลงไม่ได้แล้วเขาก็ทางไพสาลก็เรียลําเขาลํายาวไป ข้ามชุ่งนาไปจากบ้านน้ำมนีษย์เขามาเที่ยวสาวทางบ้านน้ำมนีษย์เขาเขาอยู่บ้านพลทองทางนู้นตอนออกบ้านวัดบ้านน้ำมนุษย์เขารำยาวไปอยู่ยทางประกาศร้องเพลงแต่นี้เ่เขาลํายาวเลยเพลงสายพานนี้จนีนมันยังไม่ตกขึ้นหางเขายังมีความเป็นขนาดรุ่นเดิมเรานี่กำลังตกนรกทั้งเต็งว้าดูสิยังขึ้นอนะ่ะ ไม่มีใครที่จะทุกข์ยิ่งกว่าเราคนในโลกนี้กำลังตกในโกทั้งเป็นอันนี้มันก็ปุ๊บคือหนึ่งเหมือนกันนะตกนรกทั้งเป็นกับกิเลสตกใ น, นโลกทั้งตายกับกิเลสมาเกี่กับกันแล้วนี่จะมากเกี่ยวกัะกาตัวนั้นพ้นจากกิเลสทาไมจะเห็นว่าเป็นของทุกข์ของลำบากท่านประกอบหะประกอบความเพียนหาอะไรหาใ น, นโลกอวกาที่ไหนกันนานปุ๊บขึ้นเลย ม, มันแจ้กันทันทีจากนั้นจิตก็ลงได้ นี่แหะที่เรียกว่ามาัเป็นไปได้ในใจของเราทั้งหมดมัน ม, มันมีแต่เดียวนะอาการได้แสดงออกมาเราไม่รู้มันได้ง่ายๆมานั้นมีอาการกิเลสทั้งนั้นออกมาเพ่นพ่านออกหน้าออกตาในวงใจหัวใจพระในวงความเพียรของพระ ในเอียบบทของพระในอาการของพระที่แสดงออกของพระหลาวที่แสดงออกมันมีแต่นี้ออกหน้าออกตารวดเร็วที่สุดนะเราอยากว่ากิเลสมันโง่นะมันฉลาดที่สุดอมันจึงทําให้เราโง่หลงคําเพลินกล่อมเพรมันยางสนิทติดใจไม่มีวันจิตจังใครจะจิตจังีิเด็กเบื่อหนา่ายกิเลศมีเหลือในโลกนี้ เราเคยอยู่กับมันมาเท่าไหร่เฮ้ยมันลึกซึ้งไหมเพลงของมันรสชาติของดีถ้าไม่มีรสชาติของธรรมเข้าไปเทียบเคียงเข้าไปเป็นคู่แข่งแล้วเราจะไม่เห็นโทษของมันเลยอืมมันก่อมได้สนิทพอมีรสชาติของธรรมแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปที่มันก็มีสองแล้วมันจะเทียบกันละทีถิ่นจิตไม่เคยมีความสงบเลยพอจิตมีความสงบแล้วอ้ยผลของการความสงบมันเป็นอย่างนี้นนีะ ถึงเราเคยพ่งชางมันานมันเทียบแล้วนะนี่พยายามทำให้ความสงอกให้มากขึ้นกว่านั้นงนานมันมีคู่แข่งเพราะฉะนั้นถึงเวลาปิดเสื่อมมันถึงจะเป็นจะตายไปผมไปอย่างนั้นทุกในการปวดนี่นอกจากประกอบควาเพียรแล้วยังทุกเพราะิดเสื่อมนึกถ้าไม่ได้ลืมกระทั่งดวงนานจีเพราะเราเคยเห็นคุณค่าของสมาธิของเราแน่นป่ป่งเป่เปเป้แล้วไเสื่อมมนซะอย่างไม่มีมมมอะไรติดเนื้อติดตัวเลยมีแต่ ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจตลอดเวลาทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนมันทํำให้ทุกข์ี่ทุกข์เพราะจับได้อันนั้นจับกลืนมาไม่ได้สมใจมันกระโถกนอกจากกิเลสมันยั่วดึงด ว, ดวิธีต่างๆด้วยมันจะลากลงในโลกเอเวิชชิมันทุกข์ขนาดนั้นนักเกี่ยวมันก็ีดังั้นเวลาจิตมันกลับขึ้นมาได้แล้วมันถึงได้แค้ถึงใจอเหมือน เราขึ้นบนกระพองช้างได้แล้วขอก้นหนังมันลงเลยถ้าจิตจิต น, นี้จะเสื่อมไปไม่ได้นุ่นจริงถ้าเสื่อมเมื่อไรเราเราต้องตายเมื่อนั้นไม่มีทางที่จะสืบต่อไปได้เลยจีิี ๆ, ๆมันขนาดนั้นเลยความเสียใจยเพราะจิตเสื่อมเพราะมันพอได้กลับขึ้นมาแล้วจะเสื่อมไปไม่ได้บอกนี่เลยถ้าเสื่อมเมื่อไรก็แสดงว่าความตายต้องเกิดไปด้วยกันจึงทําให้ย้อนจิตถึงพระโคติกา โคติกัดท่านเสื่อมถึงหกครั้งนะเราเพียงครั้งเดียวเท่านั้นอืถ้าโคติดกัดเจริญแล้วเสือเ่อมเจริญแล้วเสื่อมถึงหกครั้งเพอาครั้งถึงหกท่านจะฆ่าตัวตายมาเลยไม่บรรลุธรรมในขณะนั้นแต่นี้ในในหนังสือรู้สึกว่าจะมีอะไรทั้งสินปรากฏว่าถ้าโคติดกัดจะฆ่าตัวตายนะในหนังสือมัน แ, แล้วตอนหนึ่งที่ว่าพยามารนะค้นคว้าหาจิตวิญญาณของประโกธิกับ น, นี่ยคือตอนทั้งคันตอนมันตุไปอ้างมันไปเป็นพยานกันตอนนั้นว่าฆ่าตายแล้วตอนนั้นก็ไม่ว่านะแต่มีลับๆเรียบๆอยู่นั้นนะพอให้สงสัยตัวนั้นแล้วมาเด่นตรงนี้จนเป็นความตลกโลกกระท่าไปหมดกัน ฤิ์ของมารที่มันค้นควา้าคุ้นควาหาจิตวิญญายของพระโพธิจักรอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเลยตวาดเอาบ้างว่าอพยามาร อ, อันเพียงความรู้ของเธอนั้นนะ่ะจะไปสามารถรู้จิตของพระโพธิจักรของเราได้อย่างไรพระโพธิจักรเป็นลูกของเราได้อย่างไรเธอก็มีวิสัยตั้งแต่ที่จะดูสัตว์ที่มันคล่องยในกิเลสที่เท่านั้นแหละ พระโคติกัดเราไม่ได้เป็นคนประเภทนั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากอำนาจแห่งมารเพราะฉะนั้นเธอจะพ้นหมดทั้งโลกธาตุดร้นหรือจะไปโลกธาตุ ไ, าห ไ, าไหนก็ไปเธอเธอจะตายทิ้งเปล่าๆนั้นไม่มีหวังที่จะเห็นร้องบอยของพระโคตจิกัดเราว่าไปไหนมาไหนเลยเพราะพระโคตจิกัดของเราพ้นวิสัยของเธอไปแล้วปริญิพผานแล้วเหนื อ, อตรงจำพรรษ ท, ท่านขูพระยามาพระพุทธเจ้าเองนะขู่ในทั้สิบมีแล้วท่านเมื่อท่านสําเร็จแนละ้วท่านจะเอาหนี้คนมาเฉือนคอตัวทําไมหรือว่าท่านเฉือนในขนาดนั้นแล้วเวลาจะตายท่านพิจนารณาหรือสําเร็จมากคนในขนานั้นหรืออันนี้มีมีข้อหน้าที่จะน่านอยู่ มันหนังสือมันมีอะไร น, นี่นี่ผมไปอ่านแล้วอ่านแล้วเพราะหนังสืออยู่ในหลักสูตรปริ ย, ยนหนึ่งหนังสือธรรมบทหนึ่งแปลไม่รู้กี่ครั้งกี่หนี่ตลบทบทวนผมก็ทักลืมไแต่แต่มันจับได้ชอว่าเราสงสัยอยิงถ้าว่ามันแจ่มแจ้งแล้วเราสงสัยอะไรแสดงว่าไม่แจ่มแจ้งอะไรนะหรือว่าเวลาท่านจะดจิดทั้งตั้งเสื่อมท่าน ่มีกลนมาพอเฉือนขอป้าไม่นีท่านจะตายแล้วท่านหลัลึกได้ในขณะนั้นท่านันรูุ้ในขณนะ น, นั้นเป็นได้แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วกว่าท่านนี้ผ่านนียนะเรพยายามมาค้นหายิ่งญญญาณของท่านเป็นถูกพระเจ้าขูอ่อันนี้สำคัญีหมายถึงเรื่องจิตเสื่อมนี้ทาให้เสียใจขนาด น, นั้นพระโคดธิกัดเป็นตัวอย่างเรามันเข้ากันได้ทันทีเลย มันถึงใจจริงๆนะเพราะว่าจิตตั้งแต่บัดนี้แล้วจะเสื่อมไปไม่ได้นะว่างั้นเลยนะอาฐานเป็นที่ว่าความถ้าจิตนี้ได้เสื่อมไปอะไรก็เท่ากับว่าเราต้องตายไปในขณะนั้นวันนั้นด้วยกันไม่มีสองนะมันจะต้องทําอะไรเจ้าของให้ตายจริงนะคือมันไปอย่างเด็ดจริงๆนนะคือจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าเสื่อมไปเมื่อ ไ, ไหรเราต้องตายไปพร้อมกันจะทน ท, ทุกทรมานดังที่เคยเป็นมา ขาที่แล้วมานีดเป็นไปไม่ได้วางนั้นนะนี่น่ะความเสียใจยกระดาษไหนฟังดีกิดเสื่อยจนกม่ทั่งชีวิตก็มาเสียดายให้ตายเลยดีกว่าล่ะจากนั้นมาเหมือนกับเข้มงวกขัดขันนะสิมันไปไหนเหมือนกับนักโทษเหมือนผู้ต้องหาในคดีงนั้น้าบอยู่นั่นเลยมันจะไม่เฉื่เสือไม่ได้แล้วมันก็จิงกันด้วยจิงกันอย่างี นักสามตลอดไม่คุ้นกับอะไรทั้งนั้นอยนั้นมันก็ไม่เสื่อมเพราะมันรู้แล้วตั้งแต่ขนาดนั่งตลอดรุ่งแล้วมเอออยากต้องอย่างนี้ที่างวาจะของทีนี้ไม่เสื่อมว่างนั้นเย่ยเออต้องอย่างนี้ที่นะ่นทีนี้ไม่เสือนะ่อม่ยตั้งแต่นั่งตลอดรุ่งคืนแรกเลยนะมันได้หลักได้เกณฑ์ขึ้นมาเหมือนกับว่ามันปีนตกไปตกมาแล้วมันเข้าไปถึงตึกเลยเนะี่ยทีนี้ไม่ตกหมายความว่ามันไป ปีนี้ไปตกลงไปพอไปถึงไอเหงื่อที่มันเกาะติดที่มันป้าบติดปุ๊บเออต้องอย่างนี้ทีที่นี้ไม่เสว่มมันแน่แล้วตรงนี้จะถึงขนาดนั้นมันก็ยังไม่ได้นอนใจเชื่อนั้นก็เชื่อแต่ความที่เคยเฉ็ดที่มันมันมันก็ถึงใจเหมือนกันแต่ไม่เคยเสื่อมสาคัญที่มาติดสมาธิที่ อมีรถมีชาติสาคัญมีนักสมาธิพอให้ติดมเป็นติประการหนึ่งเราก็ไม่เคยเห็นคุณค่าของผลของปัญญานี่มันก็ต้องติดกันธรรมดาพอออกไปทา่านพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นคุณค่าของปัญญาแล้วมันก็กลับมาทำหนิสมาธิว่า น, นอนตายเฉยเๆเกิดปีศาลาอีเลเนี่ยคืออันนั้นคุณค่าสูงกว่านี้อเอาให้กินให้จังนะขีดนี้เลิร์ ไม่มีอะไรจะเลิศเท่าจ <cle ans> okay. <For>. ิตแหละในโลกนี้ทุกกระทุกเถอะทุกเพื่อจะถอถอนจิตให้ขึ้นจากหล่มลึกคือวัตตะวัตตะวมที่เราเคยจมมาแล้วไม่มีอะไรที่น่าสงสัยแลยแหละกี่กับกี่กนแล้วไม่ต้องนับอืมแน่หนึ่งหัวใจไม่สงสัยผมไม่สงสัยจริงจริเรื่องจิตที่เคยเกิดจากจิตตายมากี่พวกกี่ชาติไม่สงสัยเพราะร่าสานั้นมันบอกชัดชัดในหัวใจ ขวใหอื้อนั้นออกเกิดที่นี่อ้าวจะไปภพไหนก็ไปเกิดที่นี่มันรู้ทันทีหมดปัญหามันการเกิดตายนี่หมดปัญหาก็ที่เท อ, อ ม, มันก็ถึงใจเหมือนกันนีการพิสูจน์่องตายเกิดตายสูญการพิสูจน์แบบเอาความรู้ของคิดเดชไปพิสูจน์มันก็มาพันหัวจะของนั่นแหลนะแต่ความรู้สามัญธรรมดาทั่ ว, วไป ไปพิสูจนว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมีภาควิจารถกเสียงกันขมดน้ําลายไปต่อเป็นสพาน้ําลายไปต่อถ้าพระพุทธเจ้าเพอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์จิตที่ท่านพิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติภาษาวกท่านพิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติท่านมาได้พิสูจน์ด้วยน้ําลายนี่ท่านมาได้พิสูจน์ด้วยความจดจําเอาแต่ชื่อ ม, ามาันมานี่ท่านพิสูจน์เข้าถึงตัวจริ ง, งนจริงท่านถึงได้รู้จริงแล้วเรียนกตามตำลัดตำลาเราไม่ประมาทนะ สำหรับตำราเราก็เรียนเหมือนกันเราไม่ได้บวมห์เรากล่าวว่าเสมอเราไม่เคยลดละเรื่งกล่าวว่าอมันชื่อของกิเลสทั้งนั้นชื่อของธรรมทั้งนั้นชื่อของมรรคผลนิพพานชื่อของสมาธิชื่อของปัญญาแต่องค์ของสมาธิองค์ปัญญาตัวของกิเลสจริงๆมันไม่ได้อยู่ในหนังสือนี่นะมันอยู่ที่หัวใจเรานี่อืท่านทิ้งควาดกันลงที่นี่ขุดไปลงที่นี่พี่ตัวไหนก็จะรู้กิเลส สมาที่หรือปัญญาขั้นใดขั้นใดก็จะรู้ที่นี่ไม่ดูห่างอะไรจากใจเลยใจกับทําอยู่ด้วยกันเแต่จะเชื่อว่าที่เรนต์มันปิดเอาไว้ไม่เห็นเหมือนอย่างที่นี่ที่โลกท่านที่เตียนมันจะอยู่ไกลไหมอ๋อเมุติเราที่นี่มีหญ้าก ป, กปกคลุมหุ้มห่ อ, หอมืดมิดไปหมดนนจนมองหาที่สะอาดไม่เห็นไม่เจอเลยเนี่ยมันอยู่ห่างไกลนักเหรออเอาลื้อออกที่สิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อ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 ครั้งของกิเลสกับครั้งของมกกรรคพลิภานก็อยู่ในฉากเดียวกันในจิตดวงเดียวกันนั่นแหละไม่มีอยู่ที่ไหนเอาลงที่นี่ยาถ้าทคิดในเกี่ยกับเเวลานะสอนด้วยความลงใจไปแท้ไม่ใช่สอนแบบงมเงาเกาหมัดไหให้จัเราเคยทุกข์มาแล้วความโลภทำใครให้ยิ่งเสดความโลภคือกิเลสทํใครให้ยิ่เสษ ความโกรธความหลงทําใครให้พิเศษมีไหมคนวิเศษด้วยความโลภความวิเศษด้วยความโกรธคนวิเศษด้วยความหลงคนวิเศษด้วยความรักความชังมีมีไหมไม่เห็นมีใครก็โลภเราก็โลภเขาก็โลภเราก็โกรธเขาก็โกรธเราก็รักเราก็ชังเขาก็รักเขาก็ชังก็เขากับเราก็เท่าเท่ากันมีใครพิเศษกว่ากันวะเอามาเทียบดิเเราจะให้มันวิเศษยิ่งกว่าสิ่งที่กล่าวมานี้กว่าบุคคลกว่าหัวใจที่ที่กล่าวมานี้ ด้วยการปฏิบัติธรรมพูทีเจ้าวิเศษเพราะพ้นจากนี้ต่างหากนี่พระสาวกหลาท่านวิเศษเพราะการพ้นจากนี้ต่างหาเราได้กราบะพุที่เจ้าพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะธรรมชาติที่วิเศษทั้งสานั้นพ้นจากนี้แล้วนั่นเราไม่ได้กราบความโรคความป่วยความหลงความรักความชังนี่นะมันมีเต็มหัวใจเราหัวใจเขาเราอาถรรพ์อะไรสิ่งที่พาโลกให้จมก็คือสิ่งเหล่านี้ต่างหานี่อก พูดแต่มันเป็นบ่าวป็นี่เพูดแต่เหมยแล้ว